สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเยซูตอนที่สามรอสิบห้าเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูนะครับเป็นคำทูลขอที่เจ็ดขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือขอให้พ้นจากหมานร้ายเมื่อวานนี้นะครับผมได้จบลงที่ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่กำลังตอด้านเราศัตรูที่ไม่ปรารถนาดีมุ่งร้าย และต้องการทำลายชีวิตของเราครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากมารร้ายแล้วก็ลองยอมรับว่าชีวิตนั้นเป็นการต่อสู้ชีวิตที่เสียนั้นหากเติบโตนะครับต้องต่อสู้ต้องสงเข้าสู่สงครามนะครับและเราต้องเผชิญกับโอกาสที่เราจะชนะหรืออาจจะพ่ายแพ้ก็ได้แต่พี่น้องครับผมอยากจะขอหนุนใจว่าหลายหลายครั้งนั้นเราพ่ายแพ้ไม่เป็นไรครับ ตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเรามีความหวังที่จะชนะครับและเมื่อเราพึ่งในพระเจ้าพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งในพระชน ะ, นะของพระองค์ในการอ่านทุกวันในการท่องจําในการมีสามาัคคีธรรมกับพี่น้องในการหนุนใจและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในการเอ็กซ์ไซ์ความเชื่อด้วยการประกาศพระกิตติ ค, คุณครับสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยเราให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายสิ่งเหนี้จะฝึกฝนเรา ให้เรามีระเบียบวินัยฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับการทดลองเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับความจริงครับความจริงสี่ประการเกี่ยวกับศัตรูของเรานะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะต้องยอมรับก่อนว่ามารซาตานนั้นมีอยู่จริงครับนะครับหลายหลายคนนะมาเป็นคริสเตียนนะครับ คิดว่ามารซาตานั้นเป็นเรื่องนิยายประลัมประลาแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่เคยบอกว่ามารซาตานั้ น, นเป็นนิยาย ป, ประลัมปราครับมารซาตานั้นเป็นมีจริงครับและมีตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงครับชีวิตคริสเตียนนะครับไม่ใช่เป็นการปไปเที Play ่ยวไปเฮฮานะครับชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นแค่การไปโบสถไปร่วมสามัคคีธรรมแล้วมีความสุขแต่ชีวิตคริสเตียนนั้น นะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับมาโบสเพราะว่าอะไรครับมีสังคมที่ดีนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ดีเกิดประโยชน์นะครับแต่อย่าลืมครับว่าในอีกด้านหนึ่งของชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือสงครามนะครับบางคนมองชีวิตคริสเตียนที่ไปโบสว่าเหมือนกับไปเที่ยวไปสังคมได้เล่นเกมทํานู่นทนํานี้ตามที่เราชอบอะไรที่ไม่ชอบเราก็ เลือกที่จะไม่ทำได้และอย่าลืมครับว่าเบื้องหลังนะครับศัตรูที่มีความพยายามอย่างหนักครับที่จะทำลายล้างเรานะครับชีวิตคริสเตียนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสนามรบที่มีการแข่งขันมีการแย่งอำนาจกันนะครับระหว่างสองขั้วครับก็คือขั้วหนึ่งคือเป็นพระเจ้าอีกขั้วหนึ่งก็คือมาร์ตตาน พ่อศัตรูของเราก็คือมารซาตานนั้นเกลียดชังพระเจ้าครับและมันยังเกลียดเราที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับและมันตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับเราครับมันไม่กลัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันตั้งใจนะครับที่จะไม่กลัวแท้จริงแล้วมันไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือเราเลยเพราะว่าพระวิหิตขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจนะครับก็ปกคลุมเราอยู่นะครับ พระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอเสมอการอารักขาของพระองค์มาถึงผู้ที่มีความเชื่อของสตาร์ในพระองค์เสมอพี่น้องครับท่านอาจารย์ปอโลเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับและสิ่งที่ท่านเข้าใจเมื่อท่านเห็นผู้เชื่อทํำบาปนะครับคนที่ทํำบาปหรือผู้เชื่อที่ทํำบาปนั้นเขากลายเป็นเครื่องมือของมันาตานครับและนี่คือวิธีการของมันาตารในการทําลายงานของพระเจ้าก็คือ ทำลายผ่านนะครับผู้เชื่อที่ยอมตกเป็นเครื่องมือของมันนะครับมันอาศัยคนกันเองนี่แหละครับมันอาศัยพี่น้องของเราเนี่ะครับทำลายงานของพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะยกตัวอย่างในพระธรรมสองโครินบทที่สองข้อที่สิบถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับเป็นการแปล ตามความหมายด้วยการตีความนะครับโปรดฟังเพราะจะนัของพระเจ้า2โครินธ์บทที่2ข้อ10ข้อ11ผู้ที่ท่านยกโทษให้เหตุเพราะได้ทาบาปต่อคริสตจักรของท่านนั้นข้าพเจ้าก็จะยกโทษ ด, ด้วยเพราะซาตานเข้าถึงเรา <c oughs> ถ้าเรามีวิญญาณของการไม่ยกโทษข้าพเจ้ายกโทษพวกเขาเพราะข้าพเจ้าดําเนินชีวิตในพระคริสต ข้าพเจ้ารู้จักอุบายของมันในการเข้าถึงข้าพเจ้านี่คือการแปละนะครับพี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้ชัดเจนครับซาตานมันสามารถที่จะโจมตีเราได้ถ้าเรามีวิญญาณของการไม่ยกโทษเพราะฉะนั้นซาตานมันโจมตีผู้เชื่อโดยผ่านทางผู้เชื่อครับฌานเปโลรู้ทริคของมันจยนมามโลรู้กลอุบายของมัน นะครับแกมโลจึงต้องยกโทษให้คนอื่นครับใช่จริงแล้วพระเจ้าเรียกร้องให้เรายกโทษแก่กันและกันพระเจ้าเรียกร้องเราให้เรารักซึ่งกันและกันพี่น้องครับหลายหลครั้งทีเดียวคนที่ไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นคนที่มีความขมขื่นมีรากขมขื่นฝังอยู่ในชีวิตของเขาเขานั้นไม่เพียงแต่มไม่เป็นพระพร ชีวิตของเขาก็ยังไม่ได้รับพรมิหนําซ้ําหนักกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการที่จะทําร้ายทําลายผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับไม่ได้เป็นพรให้กับคนอื่นตัวเองก็ไม่ได้รับพรในขณะเดียวกันครับตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับ นี่คือความจริงประการแรกก็คือเราจะต้องรู้ครับเกี่ยวกับศัตรูว่าหนึ่งมันร้ายมีจริงนะครับในวันต่อๆไปก็จะพูดถึงอีกสามประการครับก็คือสองมันร้ายนั้นต่อสู้กับเราครับและสามพระเจ้าจะเป็นคนที่ปลดปล่อยเราและสี่เราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อกัรเพื่อรับการปลดปล่อยได้ พี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไคควนครับว่าถ้าจริงแล้วเรารู้สึกไหมครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นมีสองด้านหลายหายครั้งนั้นเราชื่นชมยินดีกับด้านสว่างนะครับก็คือด้านที่พระพรด้านแห่งความชื่นชมยินดีนะครับด้านแห่งการหายโรคด้านอะไรต่างๆที่เป็นไม้สําคัญการอาศัศจรรย์ ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องบรรลานสมดุล น, นะครับเราจ้องมองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านมืดก็คือว่าเรากำลังต่อสู้กับมารซาตานเราอยู่ในสงครามครับพี่น้องเราอยู่ในสงครามที่มองศัตรูไม่เห็นแต่ศัตรูนั้นมันเข้ามาในหลายหลรูปแบบนะครับมันใช้การทดสอบของพระเจ้า การอนุญาตที่พระเจ้าให้เรานะครับแปลเปลี่ยนกลายเป็นกับดักล่อลวงผู้เชื่อกับเป็นหลุมพรางที่ต้องการให้เราตกลงไปและตายพี่น้องครับเรางขอบคุณพระเจ้าครับที่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายทั้งที่หลายหลาคนมีโอกาสเสี่ยงนะครับหรือเป็นไปนแล้วแต่พระเจ้า ให้อะไรครับให้กันรักษามาให้หลายคนนั้นเดินทางวันหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบกิโลบางคนเป็นร้อยกิโลได้รับการปกป้องคุมของพิธารักษาที่มาจากพระเจ้านี่คือพระคุณสุดยอดของพระเจ้าการอารักขาที่เกิดจากคําอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนเรานะครับขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายขอให้พ้นจากมารร้ายนี่น้องครับทหารใหม่ ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกพื้นฐานใช่ไหมครับถ้าเรียกว่าค่ายฝึกฐานใหม่ในการฝึกฐานใหม่นั้นฐานใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการต่อสู้กับศัตรูนะครับการทำความเข้าใจกับคำทูลขอคำนี้ที่เกี่ยวข้องกับศัตรูนั้นก็จึงจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นไม่ประมาทครับเมื่อเราไม่ประมาทโอกาสที่เราชนะสูงครับ เมื่อเราไม่ประมาทนะครับเราจะมีชัยชนะเหนือมารร้ายอย่างแน่นอนนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยพระมุทีตอนหนึ่งครับบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปเพราะที่เรามีพระเยซูเป็นแบ็คนะครับเรามีพระเจ้ามีข้อยันบริสุดเป็นแบ็คครับเราจึงต้องการพระองค์ตลอดเวลาเราจะต้องตระหนักถึงความหายชนะ แต่หากว่าเราแพ้สงครามนะครับเราแพ้การต่อสู้แต่เราจะต้องตื่นตัวครับพี่น้องเราจะต้อง alert ตื่นตัวเพื่อที่เราจะเข้าสู่สงครามได้อย่างมีชัยชนะอาเมน